วันนี้จะขอพูดเรื่องกฎแห่งกรรมหรือเรื่องกรรมพระพุทธเจ้าส่งสอนไว้ว่ากรรมวัฏโกมิเรามีกรรมเป็นของของตนกรร ม, มดายาดาเป็นผู้รับผลของกรรมกรร ม, มโยนี เป็นผู้มีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดกรรมบันถุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสา ร, รณามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมอันใดไว้ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปจะดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น นี่คือเรื่องกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ส่งค้นพบแล้วนำเอามาเผยแผ่มาสั่งสอนให้กับพวกเราเพื่อให้พวกเราจะได้รู้ว่าการกระทําต่างๆของเราคือกรรมนี้มีผลที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของพวกเรา เพื่อพวกเราจะได้เลือกทากรรมที่เป็นผลประโยชน์ที่ดีกับพวกเราที่ให้ความสุขให้ความเจริญกับพวกเราและหลีกเลี่ยงหรือละเว้นการกระทากรรมที่จะทำให้เกิดโทษเกิดทุกข์กับพวกเรากรรมมัสโกมิเรามีกรรมเป็นของของตน คือเราเป็นผู้กระทํากรรมแล้วเราเป็นผู้รับผลการกระทํากรรมของเรากรรมของคนอื่นไม่ใช่เป็นของเราคนอื่นจะทําบุญทําบาปไม่เกี่ยวกับเราไม่ได้ทําให้เราดีหรือชั่วไปกับการกระทําของคนอื่นเห้นไม่ต้องกลัว ถึงแม้จะเป็นพี่น้องกันเป็นพ่อแม่พ่อลูกพ่อแม่กันสามีภรรยากันไม่เกี่ยวกันกรรมใครกรรมมันพ่อทำกรรมไม่ดีไม่ได้สงไม่ได้ทำให้ลูกรับผลกรรมไม่ดีกรรมของใครของมันใครทำกรรมนันใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น เรีว่ากรรมมัตสโกมิเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมดายาดาเป็นทายาทของกรรมนะเราเป็นทายาทของกรรมกรรมเป็นผู้ให้มรดกกับเราเรารับเป็นทายาทเราทำกรรมดีเราก็จะรับผลดีของกรรม เราทำกรรมไม่ดีเราก็จะรับผลกรรมไม่ดีนะเราเป็นญายาทเราเป็นผู้กระทำเราที่นี้ก็คือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเครื่องมือของใจอีกทีหนึ่งใจเป็นนายกายเป็นบ่าวผู้กระทำกรรมและผู้รับผลของกรรมคือใจไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายเป็นเหมือนมีดเนี่ยมีดนี้มันอยู่เฉยๆมันเบาไปทําคุณทําโทษไม่ได้ต้องมีคนหยิบไปทําประโยชน์ด้วยทำโทษเมีดเป็นเพียงเครื่องมือมีดไม่ได้เป็นผู้กระทาผู้กระทาคือคนที่หยิบมีดไปใช้นั่นพอหยิบมีดไปใช้ในทางที่ดีก็เกิดคุณเกิดประโยชน์ เช่นเอาไปทำกับข้าวก็ได้ประโยชน์ทำอาหารเอาไปทำโทษเอาไปทำร้ายผู้อื่นก็เกิดโทษแต่ผู้กระทำไม่ใช่มีดมีดเป็นเพียงผู้รับคำสั่งเป็นผู้รับใช้เหมือนกับร่างกายเป็นผู้รับใช้ของใจถ้าใจไม่สั่งให้ร่างกายทำอะไรร่างกายจะไม่ทำ แต่ตอนนี้เรานั่งเฉยๆเราไม่ได้สั่งให้มันทําอะไรมันเลยไม่ทําอะไรเดี๋ยวพอเราสั่งไว้ลุกขึ้นเดินยืนมันถึงจะทําตามที่เราสั่งใจคือเราคือผู้คิดเนี่ผู้รู้ผู้คิดนี่คือใจผู้ที่จะสั่งให้ร่างกายไปทําบุญมือไปทําบาปร่างกายไม่ได้เป็นผู้ไป ทำเป็นเพียงเครื่องมือเป็นผู้ทำแต่ไม่ได้เป็นผู้กระทำหมายถึงเป็นผู้รับคำสั่งเพราะร่างกายไม่มีความรู้สึกนึกคิดในตัวของมันเองเหมือนมีดมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดมันไม่ใช่มีดอยู่ดีๆมันนึกอยากจะไปทิ่มไปแทงใครมันก็ไปมันไปไม่ได้มันต้องรอให้คนที่มีความรู้สึกนึกคิด มาหยิบมีดนั้นเอาไปทำอีกทีหนึง่งร่างกายนี้ก็เป็นเพียงเครื่องมือของใจใจอยากจะทำดีก็สั่งให้ร่างกายไปทำดีวันนี้อยากจะมาฟังธรรมอยากจะมาทำบุญใจก็สั่งให้ร่างกายมาวัดมาทำบุญมาฟังธรรม ร่างกายไม่ได้เป็นผู้ทําบุญหรือทำไม่รู้ว่าตนเองทําบุญหรือฟังธรรมผู้ที่รู้คือใจใจเป็นผู้รู้ว่าตนก็ได้ทําบุญรู้ว่าตนได้กําลังฟังธรรมอยู่เพราะฉะนั้นอย่าไปดูผลที่ร่างกายถ้าดูผลที่ร่างกายแล้วจะเขวจะเห็นว่าทำไมบางที ร่างกายไปทำไม่ดีแต่ยังไม่ได้รับผลยังไม่ได้รับโทษร่างกายไปทำดีทำไมยังไม่ได้รับผลตอบแทนเพราะว่ามนีไม่ใช่เป็นผู้รับผลของกรรมไม่ได้เป็นธรรมดายาโดกรรมดายาดาผู้รับผลของกรรมผู้รับผลของกรรมก็คือใจผู้เป็นผู้กระทำ ใจทำแล้วทำแล้วจะเกิดผลขึ้นมาทันทีนะผลก็คือสุขหรือทุกข์ในใจนี้เองทำบุญปั๊บก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาทันทีทำบาปปั๊บก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นผลอันแรกที่เกิดขึ้นทันทีในปัจจุบันแต่มีผลตามมาอีก หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วนี่ก็มีผลตามไปอีกถ้าบุญทําบุญก็ไปสวรรค์ไปนิพพานถ้าทำบาป ก, ก็ไปอบายไปเป็นเดรัจฉานไปนรกนี่ที่ไปของใจหลังจากที่ไม่มีร่างกายแล้วนี่แหละเรียกว่าธรรมดายาดาเป็นผู้รับผลของกรรม กรรมโยนีเป็นผู้มีกรรมให้กำเนิดเนี่ ย, ยการที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลหรือไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสุลกายไปนรกนมีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิด เหมือนเราพวกเราร่างกายของพวกเรามีบิดามารดาให้กําเนิดถ้าปราศจากบิดามารดาร่างกายของพวกเราเกิดขึ้นมาไม่ได้ฉนันใดการไปเกิดเป็นเทวดาเป็นอินท์เป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลก็มีผู้ให้กําเนิดผู้ให้กําเนิดก็คือกรรมเนี่ยคือการกระทําของใจโดยใช้ร่างกาย และใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการกระทำทำแล้วก็จะเป็นผู้ส่งให้ใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วพอใจไม่มีร่างกายผูกติดอยู่ใจก็จะไปตามอำนาจของของบุญของบาปที่ได้ทำไว้คำว่ากรรมนี่เป็นคำกลางๆกรรมนี้แปลว่าการกระทำ อย่าไปเข้าใจว่าเป็นบาปแต่บางทีเรามักจะใช้คำว่ากรรมแทนคำว่าบาปกันเช่นแทนที่จะพูดว่าบุญบาปเรากลับไปพูดว่าบุญกรรมแต่ความหมายในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงบาปถ้าพูดคำว่ากรรมนี่หมายถึงการกระทาซึ่งมีอยู่สามทางด้วยกันทาดีเรียกว่าทาบุญ ทำไม่ดีเรียกว่าทำบาปแ้ะทำกลางๆคือไม่ดีไม่ชั่วก็เรียกว่าทำที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปนี่แหละเป็นผู้จะให้กำเนิดแก่พวกเราถ้าเราทำบาปเราก็จะได้เกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกเนี่ยถ้าเราไม่ทำบาป เราก็จะไม่ได้ไปเป็นเดรลฉานไม่ได้ไปอบายถ้าเราไม่ได้ทําบาปแล้วก็ไม่ได้ทําบุญเราก็จะได้เป็นมนุษย์นกายมาเกิดเป็นมนุษย์เรามาเป็นมนุษย์ตอนที่บุญกับบาปในใจเรามันเป็นกลางมันเท่ากันบุญไม่มากกว่าบาปบาปไม่มากกว่าบุญก็จะทําทําให้เราเป็นมนุษย์กัน ถ้าเราทำบุญมากกระาทำบาปเราก็จะไปเป็นเทวดากันถ้าเราทำบุญอีกชนิดหนึ่งคือบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบเราก็จะไปเกิดเป็นพรหมกันแล้วถ้าเราทำบุญอีกชนิดหนึ่งคือวิปัสสนาหรือปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นใตรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เราก็จะไปเกิดเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีนี่แหละคือคำหมายคำว่าเรามีกรรมเป็นผู้ให้กาเนิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธ์คำว่าเผ่าพัน์คือเราเป็นพันดีหรือพันไม่ดีก็กรรมดีนี่แหละทำให้เราเป็น พันุ์ดีคือเป็นคนดีกรรไม่ดีก็ทำให้เราเป็นคนไม่ดีเป็นพันุ์ที่ไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ชื่อนามสกุลไม่ได้อยู่ที่กำเนิดว่ามีพ่อแม่ดีแล้วลูกจะดีตามมีพ่อแม่ชั่วแล้วลูกจะชั่วตามไม่ใช่อย่างนั้นเผ่าพันธุ์นี้ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่อยู่ที่ครอบครัวที่เราไปเกิดด้วย ไปเกิดในครอบครัวที่ดีมีเผ่าพันธุ์ที่ดีแต่เราอาจจะไม่ดีก็ได้ไปเกิดในครอบครัวในที่มีเผ่าพันธุ์ที่ไม่ดีแต่เราอาจจะเป็นคนดีก็ได้เพราะว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับคร อ, อบครัวที่เราไปเกิดด้วยไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงที่เราได้รับไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกียรติยศต่างๆ เาเกียรติยศบางทีไม่ได้เกิดจากการทำความดีก็มีอันนี้คนไม่ได้อยู่ที่ชื่อชื่อดีก็ไปติดคุกติดตารางมีเยอะแยะเาง้อย่าไปเสียเวลานักคิดเปลี่ยนชื่อกันเลยชีวิตเราไม่ดีแล้วอยากจะให้มันดีเดี๋ยวปีใหม่ไปเปลี่ยนชื่อกันดีกว่าแล้วชีวิตจะดีขึ้นไม่ดีขึ้นต้องเปลี่ยนกรรม ต้องทำกรรมดีแล้วชีวิตก็จะดีถ้าเคยทำกรรมไม่ดีอยู่เรื่อยๆปีนี้กรรมจะหมดแล้วพอปีหน้าลองไปเปลี่ยนกรรมกันเถอะอย่าไปเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนอะไรมันไม่ดีหรอกมันไม่อยู่ที่บ้านอยู่ที่ชื่ออยู่เปลี่ยนคนเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนอะไรก็เหมือนกันมันไม่ได้ทำให้เราดีขึ้น มันอยู่ที่การกระทาของเราทากรรมดีแล้วเราก็จะเป็นคนดีขึ้นมาเองเป็นเผ่าพันเป็นพันดีคนดีพันดีอยู่ที่การกระทาทาชั่วทาไม่ดีก็จะเป็นพันไม่ดีพันชั่วเป็นคนไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ชื่อนามสกุลบางคนเกิดในสกุลที่ดี นามสกุลดีเนี่ไปติดคุกติดตารางก็มีเนี่ยนามสกุลไม่ได้เป็นตัวการันตีเป็นตัวรับประกันว่าจะเป็นคนดีเสมอไปอยู่ที่การกระทำนี่แหละเป็นตัวการันตีตัวรับประกันถ้าทำดีแล้วต้องดีแ น, น่ๆถึงแม้ชื่อจะไม่ดีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรชื่อเป็นชื่อธรรมดา แต่การกระทํานี้ไม่ธรรมดาเป็นการกระทําที่ดี <Yeah. S 1> <yeah. S 2> ก็จะเป็นคนดีท่า yeah. นถึงเรียกว่าเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ <Yeah. S 2> เผ่าพันธ์ของเราคือกรรม <Yeah. S 2> คือการกระทําของเรา <Yeah. S 2> ไม่ใช่ครอบครัวของเรา <Yeah. S 2> ตระกูลของเรา <Yeah. S 2> หรือดรืยชื่ออะไรของเราเนี่ยมันไม่เกี่ยว <Yeah. S 2> เกี่ยวอยู่ที่การกระทํา ถ้าทำดีแล้วเป็นคนดีเป็นเผ่าพันธุ์ที่ดีถ้าทำไม่ดีก็เป็นคนไม่ดีมีเผ่าพันธุ์ที่ไม่ดีเรียกว่ากรรมว่าบรรทุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมว่าปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นที่เพิ่งอาศัยที่เพิ่งอาศัยก็เหมือนบ้านช่องที่เราอยู่มีหลายแบบหลายชนิด แบบดีก็มีแบบไม่ดีก็มีแบบหลังคาลวฝนตกที่หลต้องเช็ดต้องคอยถูต้องคอยอะไรอยู่ก็มีบ้านที่หลังคาลวบ้านที่เก่าบ้านที่ไม่สมบูรณ์สมประกอบหรือบ้านที่สวยงามเป็นเป็นข้อรหัสสวยงามใหญ่โตมีห้องหลากหลายอันนี้ครับ เป็นที่พึ่งของร่างกายบ้านนี้เป็นที่พึ่งของร่างกายกรรมคือการกระทำนี้เป็นที่พึ่งของใจถ้าทำกรรมดีกรรมก็จะให้ความสุขเป็นที่พึ่งของเราเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่มีความทุกข์เดือดร้อนต่างๆถ้าเราทำกรรมไม่ดีทำบาป เราก็จะมีแต่ความทุกข์ร้อนอยู่เรื่อยๆนี่แหละคือเรื่องของกรรมที่พระพุทธเจ้าทงสอนเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของร่างกายถ้าเราไปมองรอรับผลผ่านทางร่างกายเราจะผิดหวังหรือเราจะสับสนเช่นคนสมัยนี้มักจะพูดกันว่าทำดีไม่ได้ดี ทำเชื่อได้ดีมีถมไปเพราะเขาไปดูผลที่ทางร่างกายคือผลที่ร่างกายจะได้รับเช่นการเจริญในลาบยศสารเสริญความเจริญในความสุขทางตาหูจมูกมนิ้วกายเขาคิดว่าทําความดีแล้วจะรวยจะได้ตําแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจะได้รางวัลต่างๆได้ยกย่องสารเสรนเยินยอ ได้ความสุขจากสิ่งต่างๆผ่านทางตาหูจมูกมืนกายอันนี้ไม่ได้เป็นผลของบุญหรือผลของบาปอันนี้เป็นเป็นผลที่เกิดกับร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือของผู้กระทําคือใจผลที่เกิดขึ้นกับผู้กระทําคือใจอ น, นี้คือ ความเจริญทางจิตใจความสุขความทุกข์ทางจิตใจ <c oughs> ทําบุญแล้วจิตใจจ ะ, จะเจริญขึ้นจากมนุษย์ไปเป็นเทพจากเทพไปเป็นพรหมจากพรหมไปเป็นพระอาริยบุคคลไปไปไปเป็นพระอรหันต์ไปเป็นพาาาระ พ, พุทธเจ้าเนี่ยนี่แหละคือผลของการทําบุญต่างๆไม่ได้ทำให้ร่ํารวยซะ บางครั้งก็รวยด้วยมันนี้ไม่แน่คนทำดีแล้วก็ได้รับรางวัลตอบแทนก็มีถ้ามีคนเขาเห็นเขารู้เขาอยากจะสนับสนุนเขาก็ให้เงินทองเป็นเครื่องตอบแทนก็มีแต่สิ่งที่เขาให้ไม่ได้คือความเจริญทางจิตใจเขาไม่สามารถทำให้จิตใจเราเจริญขึ้นมาจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาได้ตั้งให้เป็นเทวดาไม่ได้ ตั้งชื่อได้มีพระมีชั้นราดชั้นเทพนมีมีตั้งได้แต่มันเป็นชื่อไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นตัวจริงตัวจริงนีิกรรมเป็นผู้ตั้งการกระทําของเราเป็นผู้ตั้งทําบุญแล้วใจของเราจะตั้งตนเองให้เป็นเทวดาให้เป็นพรหมให้เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมา ไม่มีใครมาแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆทางด้านจิตใจได้แต่งตั้งได้เฉพาะทางร่างกายปีนี้ให้ขึ้นเป็นนายพลปีนี้ให้ขึ้นเป็นนายพันปีนี้ให้เป็นนายกให้เป็นอะไรอันนี้เป็นเรื่องของการแต่งตั้งไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตใจสิ่งต่างๆที่แต่งแต่งตั้งนี้ มันไม่ขึ้นอยู่กับว่าจะต้องทำดีเสมอไปถึงจะได้การแต่งตั้งทำให้ถูกใจคนตั้งก็แล้วกันอันนี้สำคัญกว่าใช่ไหมถ้าคนเป็นคนแต่งตั้งเขาไม่พอใจเขาไม่ถูกใจต่อให้ทำดียังไงเขาก็ไม่ตั้งให้แต่ถ้าทำให้เขาถูกใจถึงแม้จะไม่ทำดีแต่ถูกใจคนตั้งเขาก็ เขาก็ตั้งให้ได้ตั้งให้เป็นในโพลในพันได้ยิฉะนั้นขอให้เราอย่าไปดูที่ผลที่เกิดทางลาบยศสารเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะไม่ฉะนั้นเราจะเราจะเควเราจะหลงทางเราจะเข้าใจผิดเราจะทําให้เราไม่มีกําลังใจที่จะทําความดีกันะ พอเราเห็นคนไม่ทำความดีแต่มีลิ้นยาวนี่นะกลับมาได้ดีกันเยอะก็ไปเสริมลิ้นกันมากกว่าไปทำสัญญกรรมทางลิ้นกันทำลิ้นให้มันยาวเหมือนลิ้นหมาเนี่ยหมาเวลามันเจอเจ้าของมันเลียโอ้ยเจ้าของก็รักก็ชอบมันลูกผัวมันเอาขนมเอาอาหารมาให้มันกินถ้าอยากจะเจริญทางลาบยศสรรเสริ ทางตาหูจหมูกลิ้นกายนี่ต้องไปไปทําลิ้นให้ ย, ยาวๆเลียให้เก่งทำให้คนที่เขาตั้งเรานี่ถูกใจ uh, CUBE, แล้วจะอยากจะได้อะไรขอเขาได้เขาจะแต่งตั้งให้อยากจะได้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้อยากจะได้ยศชั้นนั้นชั้นนี้ uh, เดี๋ยวมันมาเอง uh. นี่คือถ้าเรามองที่ลาบยศ จ, จ, จัดรินมองที่ความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เราอย่าไปดูที่พฤติกรรมการกระทำนะเราดูที่ลิ้นว่ายาวหรือไม่ยาวรู้จักเอาใจคนที่เขาเป็นผู้ให้ความดีความชอบกับเราหรือไม่ถ้าเราเอาใจคนที่เขาให้ความดีความชอบกับเราไม่ว่าจะโดยวิธีใดด้วยวิธีทา ท, ทำดีก็ได้หรือวิธีทำไม่ดีก็ได้ บางทีเขาก็อยากจะให้เราทําไม่ดีเพื่อเอาใจเขาถ้าเราไม่ทําไม่ดีเอาใจเขาเขาก็ไม่พอใจเราเขาก็ไม่แต่งตั้งเราแต่ถ้าเรายอมทําบาปเพื่อเขายอมทําความไม่ดีโกหกให้เขาอย่างนี้เป็นคนใช้บางทีก็โกหกให้เจ้านายเจ้านายขอขอสุก ข, ขุ้นไว้ให้กับคนใช้คนใช้ก็รับสุนซุกไว้ แล้วก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นของเจ้านายเป็นของผมเนอันนี้ก็เรียกว่าเนี่ยทำความดีให้กับเจ้านายให้กับคนที่ให้ให้ให้คุณให้โทษกับตนมอทำให้ถูกใจคนที่ให้ให้ให้คุณให้โทษกับตนเขาก็ให้คุณกับเราเขาก็เลื่อนเงินเดือนขึ้นตำแหน่งขึ้นเงินเดือนให้เลื่อนตำแหน่งให้ นี่คือทางโลกเป็นอย่างนี้นะการกระทําทางโลกเรามองที่ลาบยศเจรเสริญสุขกันแต่ความเจริญทางธรรมเราไม่ได้มองที่ล า, าบยศเจริเสริญสุขกันเรามองความเจริญทางใจซึ่งเป็นของยากที่จะมองเห็นกันเราเลยไม่ค่อยเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปกันเพราะว่าหนึ่งผู้กระทําเราก็มองไม่เห็น ผู้ก็ททำไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดแล้วผลที่เกิดก็จจะผลที่เกิดขึ้นกับใจผู้รู้ผู้คิดเราก็มองไม่เห็นเราก็ไม่รู้กัน <S <S 1> <S 1> เราก็เลยไม่ค่อยเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปกันเราเชื่อเรื่องอ ผลที่จะเกิดทางโลกกันทางลาบยศสรรเสริญทางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันนะนี่คือถ้าเราไม่ได้มาศึกษาทางธรรมเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องการกระทำนะถ้าเรามาศึกษาแล้วเราจะเริ่มเข้าใจว่าผู้กระทาคือใจนะ กรรมแปลว่าการกระทําผู้กระทาคือใจการกระทําด้วยใจทาอย่างไรก็ทําด้วยความคิดนี่เองความคิดนี่แหละเป็นผู้กระทาผู้สั่งให้ร่างกายไปพูดหรือไปทำอะไรต่อไปการกระทําจึงมีสามทางด้วยสาสามช่องทางด้วยกันทาทางทาทางใจก็เรียกว่า โ, โนกรรม ทำทางวาจาก็เรียกว่าวาจชีกรรมทำทางกายก็เรียกว่ากายกรรมเนเวลาเราเอาข้าวของมาใส่บาตรนี่เราเรียกเรากำลังทำกายกายกรรมแต่ก่อนที่เราจะใส่บาตรได้เราต้องมีโมโนกรรมก่อนใจต้องสั่งก่อนว่าเดี๋ยววันนี้ไปใส่บาตรร่างกายก็ไปเตรียมอาหารไปเตรียมต่างๆของไว้พอพระมา ก, ก็ ถอยพระใส่บาตรไปผู้กระทาคือใจผู้คิดคือใจผู้สั่งให้ทําคือใจและผู้สั่งให้ร่างกายทําก็คือใจคอยควบคุมทุกขั้นตอนตั้งแต่หยิบข้าวใส่บาตรตักข้าวใส่บาตรนี่ใจเป็นผู้กระทาเพียงแต่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะใจไม่มีเครื่องมือเหมือนกับคนที่ไม่มีมีดอยากจะทํากับข้าวก็ทําไม่ได้ ต้องมีมีดเป็นเครื่องมือฉะนั้นขอให้เราเข้าใจว่า ว, วจีกรรมคือการพูดกับมโน ก, กับกายกรรมคือการทำทางน่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้กระทาโดยตรงผู้กระทาโดยตรงคือใจผ่านทางวจีกรรมผ่านทางมโนกรรมแล้วการจะกระทาให้มีผลขึ้นมาต้อง ต้องผ่านทางกายกรรมและทางวาจีกรรมก่อนถ้าคิดอย่างเดียวแต่ยังไม่ทำนี่ผลยังไม่เกิดเช่นวันนี้คิดจะทำบุญแต่ตื่นสายไปคิดว่าจะใส่บาตรแต่พตื่นสายไปเลยไม่ได้ใส่บาตรก็ยังไม่ได้บุญเพราะยังไม่สำเร็จครบถ้วนบริบูรณ์การจะทำให้บุญหรือบาปสำเร็จได้นีต้อง เริ่มที่ใจก่อนเริ่มที่ความคิดก่อนเมื่อคิดแล้วต้องมีการกระทาต่อทางวาจาหรือทางกายถึงจะทำให้บุญที่เราคิดหรือบาปที่เราคิดนี้สาเร็จผลขึ้นมาผลก็คือความรู้สึกสุขทุกข์ในเบื้องต้นเวลาเราทำบุญทำความดีเราจะมีความสุขใจเวลาเราทำบาปทำไม่ดี เราจะมีความทุกข์ใจไม่สบายใจอันนี้เป็นขั้นตน้นผลที่เกิดนี้มันเป็นเพียงแต่เป็นเหมือนหนังตัวอย่างให้เราได้สัมผัสรับรูบร้ว่าเราได้ทําแล้วเกิดผลขึ้นมาแล้วแต่ผลของบุญของบาปยังไม่หมดนมันจะเก็บอยู่ในความทรงจําของเราอยู่ในใจของเรามันจะมา ทำหน้าที่ครั้งหนึ่งก็คือตอนที่ร่างกายของเราตายไปตอนนั้นร่างกายของเราไม่มีเราไม่มีร่างกายใจก็ต้องอาศัยบุญหรือบาสนี้เป็นผู้ให้เราได้เสพสิ่งที่เราอยากเสพกันสิ่งที่เราอยากเสพกันก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลพระ อารมณ์ต่างๆความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันที่พวกเราทํากิจกรรมต่างๆกันเราทําบุญเราก็เราก็เสพรูปเสียงกลิ่นรสแบบหนึง่งเสพอารมณ์แบบหนึง่งเสพความรู้สึกแบบหนึง่งเราทําบาปเราก็เสพอารมณ์แบบหนึง่งเสพความรู้สึกแบบหนึง่งผ่านทางตาหูจมู ก, กลิ้นกาย อันนี้มันเป็นสิ่งที่ใจของเราต้องมีให้เสพอยู่เรื่อยๆพอเวลาที่ไม่มีร่างกายใจก็ไม่สามารถใช้ร่างกายไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เพื่อให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาใจก็เลยต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้บันทึกเอาไว้จดจาไว้ในความทรงจาเนี่ยเช่นตอนที่เรานอนหลับเนี่ย ร่างกายเราไม่สามารถไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ใจเสพได้ใจก็เลยต้องไปเอารูปเสียงกลิ่นรสที่ได้บันทึกไว้คือการกระทาต่างๆที่เราทำในขณะที่เราเตื่นนี่มันจะถูกบันทึกไว้หมดเลยตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาเรานอ น, อนหลับนี่เหตุการณ์ต่างๆที่เราไปทำเยมีทั้งบุญมีทั้งบาปมีทั้งไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป มันก็จะเก็บสะสมไว้ในใจของเราแล้วพอเวลาเรานอนหลับนี่เหตุการณ์เหล่านั้นก็จะมาปรากฏเป็นภาพขึ้นมาในใจของเราอใจของเรานี้เป็นเหมือนจอภา พ, พยนตร์แล้วเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้บันทึกไว้มันก็จะมาฉายบนจอภา พ, พยนตร์เราเรียก เหตุการณ์เหล่านี้ในตอนที่เราเห็นในตอนที่เรานอนหลับว่าเป็นความฝันะความจริงมันเป็นเหตุการณ์ที่เราได้บันทึกเอาไว้ในขณะที่เราตื่นแล้วจะเป็นเหตุการณ์ดีหรือไม่ดีนี้อยู่ที่ว่าฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่ากันะถ้าเราบันทึกเหตุการณ์ที่ดีไว้มีกําลังมากกว่าเหตุการณ์ที่ไม่ดีะ เหตุการณ์ที่ไม่เหตุการณ์ที่ดีก็จะปรากฏขึ้นมาในจอในมโนภาพของเราในตอนที่เรานอนหลับเนี่ยนั่นแหละเรียกว่าเป็นการแสดงผลของบุญที่เราได้ทําไว้ถ้าเราฝันดีมีมโนภาพที่ดีในตอนที่เรานอนหลับก็แสดงว่าบุญที่เราทํานี้มีมากกว่าบาปที่เราทําบุญมันจึงเป็นตัวที่อแสดงผลก่อน ถ้าเราฝันไม่ดีนี่ก็แสดงว่าเนี่ยบาปที่เราทํานี้มีมากกว่าบุญที่เราได้ทําไว้บาปมันก็เลยแสดงมโนภาพที่ไม่ดีมโนภาพที่มีแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆเรื่องทุกข์ใจต่างๆ่างนี้มันจะปรากฏขึ้นมาในตอนที่เรานอนหลับ <c oughs> ตอนที่เราตายมันก็เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับนี่ต่างกันตรงที่ว่า เวลาเรานอนหลับพอเราตื่นขึ้นมาเรายังได้ร่างกายอันเก่าอยู่แต่เวลาเรานอนเวลาเราตายนี่ก็เหมือนกับตอนเหมือนกับเรานอนหลับเวลาเราตายนี่เราทิ่งร่างกายอันเก่าแล้วเวลาเราตื่นขึ้นมาใหม่นี่เราก็ได้ร่างกายอันใหม่ก็คือตอนที่เรามาเกิดใหม่นั้นเองเป็นเวลาที่เราจะตื่นเหตั้นเวลาเราตายนี่เราจะนอนยาวเป็นเวลายาวนาน เราก็จะดูหนังที่เราบันทึกไว้ด้วยบุญหรือบุญหรือบาปที่เราทำนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดให้เราดูแล้วเราถึงจะไปรอรับร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ไปเติ่นขึ้นมาใหม่พอเราออกข้อออกมาจากท้องแม่ลืมตาก็เหมือนเราตื่นเติ่นจากเาติ่นจากการตายของเราเปลี่ยนร่างกาย เป็นการเปลี่ยนร่างกายเป็นการนอนหลับแบบแบบเปลี่ยนร่างกายเรามีหลับแบบสองอย่างหลับแบบไม่เปลี่ยนร่างกายเช่นเมื่อคืนนี้เรานอนหลับเช้านี้เราตื่นขึ้นมาเราก็ยังกลับมาที่ร่างกายอันเก่าเพราะร่างกายันเก่ายังสมบูรณ์ยังใช้งานได้อยู่แต่ตอนที่ร่างกายเก่ามันหมดลมเนี่ยก็เหมือนกับเร า, เ, าเราหลับไปแล้วพอเราตื่นขึ้นมา เราจะได้ร่างกายอันใหม่คลอดออกมาจากท้องแม่พอออกมาจากท้องแม่ก็ลืมตาร้องไห้อันนี้ก็เป็นการเตือนขึ้นมาเตือนด้วยการด้วยร่างกายอันใหม่ดังนั้นความตายจริงๆก็เป็นเรื่องของการไปนอนไปเปลี่ยนร่างนั่นเองเหมือนสมัยนี้เวลาเขาจะเปลี่ยนอวัยวะเขาก็ต้องให้เรานอนหลับนหมอก็ต้องดมยาให้เราหลับพอหลับแล้วหมอเขาก็ ตายเปลี่ยนหัวใจให้เราเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตให้เราพอเราตื่นขึ้นมาเราก็ได้หัวใจอันใหม่ได้ตับอันใหม่ได้ไตอันใหม่ก็เหมือนกันเนี่ยเวลาเราตายก็เหมือนกับเราไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ช่วงที่เรารอรับร่างกายอันใหม่ก็เราก็ต้องอาศัยบุญหรือบาปที่เราทำเนี่ยเป็นตัวให้เราได้มีอะไรดูแก้เหงา ใช่ใจเราอยู่เฉยๆไม่ได้ฮไปรอหมอที่โรงพยาบาลก็ยังมีหนังสือให้ดูมีทีวีให้ดูเพราะใจมันหิวกับรูปเสียงกีลอดล็อตอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีอะไรให้ดูให้ฟังมันนั่งแล้วหงุดหงิดมันคอยดูนาฬิกาอยู่เรื่อยดูนาฬิกาอยู่เรื่อยเขาก็เลยหาวิธีผ่อนคลายความหงุดหงิดของใจให้มี ให้มีอะไรดูให้มีอะไรฟังบางแห่งมีขนมให้กินมีกาแฟให้ดื่มเพื่อที่จะได้ไม่รู้สึกหงุดหงิดเวลาที่จะต้องรอรอหมอหรือถ้าเอารถไปซ่อมนี่บางทีก็ต้องรอให้ช่างเขาซ่อมเสร็จเขาก็ต้องมีอะไรมาให้ให้เราดูให้เราฟังอันนี้ก็เหมือนกันตอนที่เราไม่มีร่างกายเป็นผู้ไปหาอะไรให้เราดูให้เราฟังให้เราดื่มให้เรารับประทาน ใจก็เลยต้องอาศัยบุญหรือบาปที่ทาไวนะ้เป็นตัวมาให้ให้ใจได้ดูกันถ้าเป็นเรื่องบุญก็เป็นเรื่องของความสุขความสบายใจถ้าเป็นเรื่องของบาปก็เป็นเรื่องของทุกข์เรื่องของความวุ่นวายใจต่างๆก็เหมือนกับดูภาพยนตร์นะดูภาพยนตร์โรแมนติกก็มีแต่เรื่องรักเรื่องหวานถ้าไปดูภาพยนตร์สงคราม อาประยชน์อาชญากรรมมันก็มีเรื่องหวาดเสียวหวาดกลัวต่างๆให้ดูนั่นแหละคือบุญบาปมันแสดงผลตอนที่เราไม่มีร่างกายตอนที่เรานอนหลับตอนที่เราไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ช่วงนั้นเนี่ยใจของเราก็จะได้สัมผัสกับมโนภาพต่างๆถ้าเป็นมโนภาพดีเราก็เรียกว่าเป็นเทวดาเนี่ย เป็นเทพหรือเป็นพรหมหรือเป็นพระอาริยบุคคลพวกนี้จะมีแต่มโนภาพที่ดีให้ดูถ้าเป็นบาปก็จะได้มโนภาพไม่ดีของเปรตก็มีแต่เรื่องหิวโหวยเรื่องอดอยากขาดแคลนเรื่องทุกข์ยากลําบากถ้าเรื่องอสุ ร, รกายก็จะมีแต่เรื่องหวาดเสียวหวาดกลัวมีภัยต่างๆมาคอยลุมเล้าอยู่เรื่อยๆ ถ้าเป็นนรกก็จะมีแต่เรื่องฆ่าฟันกันจองเวรจองกรรมกันทำร้ายกันทำลายกันอันนี้เป็นเรื่องของบาปเป็นผลของบาปที่ทำให้ใจของพวกเราในขณะที่ไม่มีร่างกายจะต้องดูมนโนภาพเหล่านี้เป็นเหมือนภาพยนตร์เนี่ย ภาพยนต์ก็มีแบบหลายหลายชนิดคนที่ชอบหนังตลกก็ดูหนังตลกคนที่ชอบหนังหวานก็ดูหนังเหมือนหวานคนที่ชอบดูหนังผีก็ดูหนังผีพวกเราก็เหมือนกันเนี่ยพวกเราทําบุญเราก็จะได้ดูหนังที่สบายใจอิ่มใจสุขใจถ้าเราทํำบาปด้วยความโลภเราก็จะได้ดูแต่หนังที่มีแต่เรื่องหิ ว, หวโหยอดอยากขาดแคลน ถ้าเราทำาบบาปด้วยความกลัวเราก็จะได้ดูหนังที่มีแต่เรื่องหวาดกลัวต่างๆถ้าเราทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทฟันต่อฟันตาต่อตาเราก็จะได้ดูหนังสู้กันหนังบุกฆ่ากันหนังสงครามหนังอะไรต่างๆอนนี่คือเรื่องของวิบา ก, กรรมหรือผลของกรรมที่จะตามมาตอนที่เราตายไปแล้วหรือตอนที่เรานอ น, อนหลับ ตอนนอนหลับนี่ก็ถือว่าเป็นเหมือนดูหนังตัวอย่างไปก่อนเพราะดูได้เดี๋ยวเดียๆก็ต้องตื่นแล้วนอนหลับไม่กี่ชั่วโมงเวลาเราฝันนี่เรารู้สึกว่ามันสั้นนักกันตื่นแล้วฝันบางดีฝันดีไม่อยากจะตื่นอยากจะกลับไปใหม่อยากจะกลับไปนอนใหม่ก็กลับไม่ได้แล้วพอวันตื่นแล้วฝันมันก็หายไปแล้วะนี่แหละคือเรื่องของผลของกรรมเรานี่แหละเป็นผู้รับผลของกรรม รับผลในมโนภาพของใจเวลาที่เรานอนหลับหรือเวลาที่เราตายส่วนเวลาที่เราตื่นเราก็รับผลกรรมจากอดีตเช่นเราไปชีวิตของเราก็ถ้าเราทําบุญมาเราก็มาเกิดสบายมีข้าวของเงินทองรอเราอยู่เช่นพระเวสสันดรเนี่ยท่านทําบุญไว้มากพอท่านตายไป ตอนที่ท่านไม่มีร่างกายท่านก็ฝันดีเป็นเทวดาพอท่านได้ร่างกายใหม่พอเติ่นขึ้นมาใหม่ท่านก็ได้ร่างกายของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะได้มีเกิดบนกองเงินกองทองไม่ต้องไปหาเงินหาทองให้เนหน็ดเหนื่อยยากเย็นมีบิดามาดาหามาให้ไว้แล้วก่อนแล้วอันนี้เป็นอ น, นิสงของบุญที่ท่านได้ทาไวในขณะที่เป็นพระเวชสรรดอน บุญมันจึงส่งผลได้ทั้งสามระยะด้วยกันระยะแรกคือระยะปัจจุบันขณะที่เราทําบุญหรือทําบาปเราจะเกิดความรู้สึกสุขใจทุกข์ใจขึ้นมาทันทีแล้วบุญระยะที่สองก็คือเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปหรือนอนหลับถ้านอนหลับก็เป็นเหมือนกับดูหนังตัวอย่างของบุญหรือของบาพปพอเวลาร่างกายตายไปตอนนั้นก็จะดูหนัง ของบุญของบาปไปแล้วแต่ว่าบุญหรือบาปอันไหนจะมีกำลังมากกว่ากันมันก็จะส่งผลให้กับให้เราได้สัมผัสกับบุญอันนั้นหรือบาปอันนั้นก่อนแล้วพอบุญหรือบาปเหล่านั้นหมดกำลังที่จะส่งผลเราก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่พอเราได้ร่างกายอันใหม่ก็เหมือนเราเติ่นขึ้นมาใหม่ แล้วเราก็รับผลบุญที่เราได้ทำไว้เช่นไปเกิดในครอบครัวยากจนหรือร่ำรวยถ้าเราทำบุญไว้เราก็ได้ไปเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยถ้าเราไม่ได้ทำบุญไว้เราก็ไปเกิดในครอบครัวที่ยากจนหรือทำบาปเราก็จะไปเกิดในครอบครัวที่ที่ขาดแคลนหรือครอบครัวที่ไม่ดีเพราะอันนี้เป็นเรื่องของผลบาป ผลบุญที่ตามมานั้นมันส่งผลสา ม, สา ม, สามตอนด้วยกันตอนปัจจุบันตอนที่เราทำเนี่ยทำปั๊บเราก็ได้ผลทันทีได้ความรู้สึกสุ ข, สขทุกข์ขึ้นมาทันทีตอนที่ตายใจของเราก็จะได้ไปเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆถ้าบาปส่งผลก็เป็นดวงวิญญาณของเปรตของอาสวรกายของนรก ถ้าได้ร่างกายก็ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานแล้วถ้าเป็นบุญเป็นผู้ส่งผลให้ก็จะได้ดวงวิญญาณของเทวดาของพรมของพระอริยบุคคลนี่แหละคือเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของการกระทําเรียกว่ากรรมกรรมแปลว่าการกระทําทําดีเรียกว่าบุญทําไม่ดีเรียกว่าบาปทํา ที่ไม่ใช่เป็นที่ไม่ดีหรือไม่ไม่บาปก็เรียกว่าเป็นธรรมกลางๆมีผลต่างกันทาบาปก็จะส่งผลให้ไปอบายทาบุญก็ส่งผลให้ไปสวรรค์ถ้าทากลางๆไม่บาปไม่บุญก็ส่งผลให้ไปเป็นมนุษย์เนี่ยนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับจิตใจของพวกเราทุกๆคน จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามไม่สามารถที่จะมาลบล้างกฎแห่งกรรมนี้ได้ไม่ใช่บอกว่าผมไม่รู้ว่าทำบาปแล้วมีผลตามมาผมไม่ขอไปรับผลบาปขอไม่ได้ถ้าคุณทำแล้วพวกที่ทำบาปโดยไม่ที่ไม่รู้ว่ามีผลตามมาก็คือพวกที่เป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเขาต้องอยู่กับ ต้องกินด้วยการทำบาปเขาต้องเป็นสัตว์ใหญ่ฆ่าสัตว์น้อยเป็นอาหารเขาไม่รู้ว่าบาปเขาจึงเป็นสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ที่มาเกิดแล้วมาทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาชีพก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานนี่พอตายไปเขาก็เลยต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเชื่อจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะรู้หรือไม่รู้ไม่มีผลต่อ การกระทาม ไ, ม ไ, มไม่ไปไม่ไปลบล้างผลของการกระทาทำแล้วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอย่างนั้นเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นโชคของพวกเราที่เราได้มาพบกับคนที่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมนี่คือพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคาสอนและพระอริยสงสาวกที่จะสอนให้เรารู้ว่า ชีวิตจิตใจของพวกเรานี้อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมนะเหมือนกับร่างกายของเรานี้อยู่ภายใต้กฎหมายนะเราอยู่ในประเทศไทยมีกฎหมายคอยควบคุมบังคับการกระทำทางร่างกายถ้าเราไม่ทำผิดกฎหมายเขาก็ไม่จับเราไปลงโทษนะถ้าเราทำผิดกฎหมายเขาก็จะจับเราไปลงโทษนะเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่ไม่สามารถที่จะไป ไปป้องกันหรือไปห้ามไม่เขามาจับเราไปลงโทษได้ถ้าเราทำผิดกฎหมายนฉะนั้นคนที่รู้กฎหมายก็จะเป็นคนที่โชคดีรู้ว่าถ้าทำผิดกฎหมายแล้วจะต้องไปรับโทษอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็หลีกเลี่ยงไปส่วนคนที่ไม่รู้กฎหมายก็อาจจะทำไปโดยไม่รู้ภาษีภาษาทําไปแล้วเขาก็ต้องจับไปลงโทษอยู่ดี อันนี้ก็เหมือนกันเรื่องกฎแห่งกรรมก็เหมือนกันเราจะรู้หรือไม่รู้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามถ้าเราทำไปแล้วมันมีผลต่อจิตใจของพวกเรามันสงมันทาให้จิตใจเราสุขเราทุกข์ทให้จิตใจเราจเจริญหรือเสื่อมอย่างแน่นอนดัน <c oughs> ั้นการที่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมนี้จะดีว่ามันจะได้ทาให้เราหลีกเลี่ยงการกระทาที่จะให้เกิดโทษให้เกิดทุกข์กับเรา เราให้เราทําแต่การกระทําที่จะทําให้เกิดสุ ข, สขเกิดความเจริญกับเราการได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นี้เราก็จะได้รับคําสั่งคําสอนให้เราทํากรรมที่ดีอยู่สามประการด้วยกันคือหนึ่งให้เราละการกระทําบาปทั้งปวงเพราะการกระทําบาปนี้มีแต่โทษเป็นเหมือนกินยาพิษอย่างนี้ อยากินยาพิษถ้าไม่อยากจะท้องเสียไม่อยากให้ร่างกายตายอยากกินยาพิษอยากินอยากินของที่มีพิษกินแล้วมันจะทำให้เกิดโทษตับร่างกายฉันใดบาปก็เป็นเหมือนยาพิษของจิตใจอยากไปทำบาปทาแล้วจะทำให้จิตใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาและจะทำให้จิตใจกลายเป็น<ม>จิตใจที่เลวที่ไม่ดีเป็นดวงวิญญาณที่มี แต่ความทุกขชนิดต่างๆเป็นเปดเป็นอสูรกายเป็นนรกหรือถ้าไปได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้าทําบาปดังนั้นถ้าไม่อยากจะได้ผลของบาปอย่าไปทําบาปให้ละการกระทาบาปทั้งปวงเพราะบาปมีหลายฆ่าสัตว์ก็เป็นบาปอย่างหนึ่งลักทรัพย์ก็เป็นบาปอย่างหนึ่งการประพฤติผิดประเวณีก็เป็นบาปอย่างหนึ่ง การพูดปดโกหกหลอกลวงก็เป็นบาปอย่างหนึง่งการดื่มสุรายามเมาก็เป็นบาปอย่างหนึง่งยังต้องละเว้นให้หมดนอกจากสุราแล้วยังต้องละเพื่อนของสุราด้วยคือการพนันการเที่ยวเต่ความเกลียดค้านนี่เป็นพวกเดียวกับการดื่มการพนันเรียกว่าอบายามุกเนี่ยอบายมุก ถ้าใบเสพอบายามุกแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้ไปทําบาปได้ง่ายเพราะคนที่เสพอบายามุกนี้มักจะไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายพอละพอพอมีแต่จ่ายไม่มีรายได้เดี๋ยวเงินทองก็ไม่พอใช้พอไม่พอใช้ไม่มีรายได้จากการทํางานก็ต้องไปหารายได้จากการลักทรัพย์ใบช่อโกงหลอกลวงผู้อื่นเนี่ยงั้นต้องหลีกเลี่ยงอบายามุกแล้วก็ ละเว้นการกระทำบาปทั้งห่าข้อนี้อย่าฆ่าสัตว์ไม่ว่าจะสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่หรือมนุษย์ก็ตามมันเป็นบาปทั้งนั้นเพียงแต่ว่าบาปมากบาปน้อยโทษหนักโทษเบาเหมือนกับทําผิดกฎหมายก็มีโทษหนักโทษเบาทําบาปก็เหมือนกันฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันก็มีโทษหนักเบาทําบาปกับผู้ที่มีพระคุณนี้จะ ถ้าฆ่าผู้มีพระคุณนี้จะมีบาปหนักที่สุดเนี่ยมีอยู่ห้าคนด้วยกันที่สี่คนด้วยกันที่เราไม่ควรที่จะไปฆ่าสี่ห้าคนคือหนึ่งฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยมีพระคุณกับเราฆ่าพระพุทธเจ้าฆ่าไม่ได้พระพุทธเจ้าฆ่าพระอาหารหันต์ทาให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดเนี่ยแล้วก็ไปทําให้สงแตกแยกอันนี้เป็นงานกระทําบาปที่หนักเห้าข้อ เรียกว่าอนันตระยกรรมอย่าไปทำถ้าเปรียบเทียบค่าพ่อกับค่าคนที่ไม่ใช่เป็นพ่อแม่นี้โทษไม่เท่ากันก่อนที่ไม่เป็นพ่อเป็นแม่นี้โทษไม่หนักเท่ากับค่าพ่อค่าแม่ค่าคนนี้หนักกว่าค่าสัตว์เดรัจฉานเพราะคนนี้มีคนมีประโยชน์มากกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็มีต่างกันสัตว์ที่มีคนมีประโยชน์ กับศาสตร์ที่ไม่มีคนมีประโยชน์ก็โทษก็ต่างกันฆ่าวัวฆ่าควายที่เขาทําหน้าที่ช่วยเราทําไร้ไถนาก็หนักกว่าไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่นี่คือเรื่องของการกระทํำบาปแต่มีโทษเพียงแต่ว่าหนักหรือเบาติดคุกนานหรือไม่นานดังนั้นทุกมากทุกน้อยแล้วทุกนานหรือไม่นานขึ้นอยู่กับ การกระทำบาปด้วยวิธีกับบุคคลต่างๆกับสัตว์ชนิดต่างๆแต่ไม่ทำได้นะ่ะดีที่สุดถ้าไม่ทำแล้วก็จะไม่เกิดโทษเนี่ยตอนนี้ญาตโยมนั่งอย่างนี้ก็มีศีลแล้วไม่ได้ฆ่าสัตว์นะเพียงแต่พยายามทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทั้งวันยี่บสี่ชั่วโมงให้ได้ก็พอละก็ทําได้ทำไมคไม่ฆ่ามันง่ายกว่าฆ่าเวลาจะฆ่าคนนี่ต้องไปหาหมีดหาปืนม ก็ต้องไปคอยรอเขาว่าเขาอยู่ที่ไหนต้องไปค้นหาคนที่เราอยากจะฆ่ายากยากกว่าการไม่ฆ่าเราไปทําของยากทําไมทําของยากที่มีโทษทําไมทําของง่ายที่ไม่มีโทษไม่ดีกว่าก็าอยู่เฉยๆทั้นั้นเองอย่าไปฆ่าเขาเวลาคิดจะฆ่าเขาก็ให้อภัยเขาเวลาเขาทาอะไรให้เราก o i แค้นกดเคืองก็ให้อภัยเขาเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นมาแล้วผ่านไปแล้วความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้ว เขาเอาเข้าของเงินทองไปก็เอาไปแล้วอ้อยเข้าปากช้าไปแล้วเอาคืนก็ต้องไปรอเวลามันถ่ายออกมาเนะงั้นอย่าไปหวังเอาคืนเลยคิดเสียว่ามันเป็นการทำบุญให้ทานไปก็แเล้วกันเวลาเราทำบุญให้ทานเราก็สูญเสียข้าของเงินทองแต่ทำไมเรากลับไม่ทุกข์เรากลับมีความสุขเพราะว่าเรายินดีเสีย อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเขามาขโมยเ้าของเงินทองเราก็เอา้าให้เขาไปเขาเอาไปแล้วเขาไม่เอามาคืนเราจะทำยังไงได้เราก็เปลี่ยนเราก็คิดว่าเป็นการทาบุญทาทานไปเราก็จะได้ไม่ไปตามร้างผ่านตามล้างแค้นเขา น, นี้ต้องรู้จักให้อภัยแล้วเราจะได้ละการกระทำบาปได้พอเราละพอให้อภัยแล้วไม่จองเวรแล้วใจเราก็หายร้อนหายทุกข์ พอหายทุกข์แล้วเราก็อยู่เฉยๆสบายกว่าเรื่องอะไรจะต้องไปหาปืนหามีดเราต้องไปต่อสู้กับเขาดีไม่ดีแทนที่จะฆ่าเขาอาจจะถูกเขาฆ่าก็ได้ถ้าเขาใหญ่กว่าเราหรือเขาเก่งกว่าเราอันวิธีที่เราจะทำให้เราไม่ทำบาปก็คือเราต้องรู้จักแผ่เมตตา ลองรู้จักให้อภัยเวลาใครเ็าทำาให้เราโกรธแค้น <c oughs> โกรธเคืองขอเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็คิดเสียว่าเป็นการทำบุญก็แล้วกันถึง แ, แม้ว่าจะเป็นเป็นการถูกบังคับให้ทาบุญก็ยังดีกว่า <c oughs> ไปคิดเอาคืนไปล้างแค้นพะไปล้างแค้นไปจองเวรจองกรรมเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไป ตอนต้นเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรมากเพียงแต่ทำอะไรไม่พอใจเราเราไปด่าเขาพอไปด่าเขาเขาก็อาจจะกลับมาทุบตีเราเราเขาทุบตีเราเราก็า จ, จะไปทำร้ายไปฆ่าเขาขึ้นมาถ้าฆ่าเขาไม่ได้ก็อาจจะถูกเขาฆ่าเราถ้าฆ่าเขาได้เราก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปลงโทษติดคุกติดตารางมีแต่ผลเสียในการจองล้านจองผ่านกันร้านแค้นกัน พระพุทธจ้ายังสอนให้เราเอาเวลาโหนตุอย่ามีเวรมีกรรมกันด้วยการให้อภัยกันยอมยอมรับความจริงว่าความเสียหายมันก็เกิดขึ้นแล้วไปเปลี่ยนมันไม่ได้แล้วแก้วมันแตกแล้วจะไปเอากลับมาต่อให้มันเป็นแก้วเหมือนเดิมก็ไม่ได้แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องของธรรมดาไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการสูญเสีย เดี๋ยวเราตายไปเราก็เสียทุกอย่างอยู่ดีเรื่องอะไรที่เราจะต้องไปมีเวรมีกรรมเรื่องอะไรที่เราจะต้องไปรับผลเวรผลกรรมในนรกในอาบายถ้าเราไปทำบาปเนถ้าเรารู้จักคิดเราก็จะให้อาภัยได้เราก็จะไม่จองเวรจองกรรมเราก็จะไม่ไปทำบาปได้อันนี้คือวิธีห้ามใจเราไม่ทำบาปเวลาที่เกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองขึ้นมา วิธีเกิดความโลภ ก, ก็ก็อยากจะไปทำบาปเห็นคนอื่นเ็ามีของดีเราไม่มีก็อยากจะได้ไม่มีเงินซื้อก็จะไปขโมยเงินเพื่อที่จะมาซื้อเราก็ต้องคำนึงถึงโทษที่จะตามมาว่ามันได้ไม่คุ้มเสียเราได้สิ่งที่เราอยากได้ดีใจเดียวเดียวสุขกับมันเดียวเดียวแล้วเราก็ต้องอาจจะคอยหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะมาคอยตามจับเรา ถ้าถูกจับก็ต้องไปติดคุกติดตารางแล้วถ้าตายไปก็ยังต้องไปเกิดในอบายไปเป็นเปรตอีกให้เห็นโทษของการกระทำของเราในการทำบาปที่เกิดจากความโลภความอยากได้สิ่งต่างๆเราก็อาจจะว่าเอาไม่เอาดีกว่าอยู่แบบนี้เราก็อยู่ได้เยงแต่ว่ามันไม่ได้ดังใจเท่านั้นเองก็เท่านั้นพอเราเปลี่ยนใจได้เลิอกอยากได้มันก็ไม่มีปัญหาต่อไป พยายามคิดเอให้รับ ใ, ให้ให้คิดถึงผลบาปที่จะตามมาให้มีโอดตภะถ้าเห็นผลของบาปที่จะเกิดขึ้นแล้วมันจะไม่กล้าทํากันคนไปเห็นผลของบาปว่าดีเห็นว่าโอดขโมยเงินแล้วจะได้ไปเที่ยวกันได้ไปซื้อของกันะ ก็เลยไปมองผลของบาปก็ดีไปอันนั้นไม่ใช่ผลของบาปนะผลของบาปคือต้องไปติดคุกติดตารางต้องไปเกิดนอบายเวลาอยู่ยังไม่ถูกจับก็ต้องนอนต้องอยู่แบบหลบหลบซ่อนๆอยู่แบบหวาดวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับให้คิดถึงผลของบาปที่จะทำที่จะเกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้เราไม่กล้าทำบาปได้นะอันนี้เรื่องของ กรรมที่เราทำกันอยู่ในแต่ละวันเนี่ยอยู่ที่ว่าเรารู้จักว่าเราควรจะทำกรรมแบบไหนหรือไม่ควรทำกรรมแบบไหน ถ้าเราไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้เราจะปล่อยไปตามามาวันไหนอยากจะทาบุญก็ทำบุญวันไหนอยากจะทำบาปก็ทำบาปแล้วเราก็จะสะสมบุญและบาปไว้ในใจของเราโดยไม่รู้สึกตัวถ้าสะสมบุญก็ดีแต่การทำบุญนี้มันไม่ใช่จะเกิดขึ้นง่ายๆการคิดอยากจะทำบุญนี่มันเกิดยากกว่าการคิดอยากจะทำบาปกัน พระพุทธเจา้าจึงสอนให้พวกเราละา ก, การกระทำบาปทั้งปวงเราสอนให้เราทำบุญทั้งหลายถึงพร้อม ให้เราพยายามคิดอยู่เรื่อยๆว่าเราวันนี้จะไปทําบุญที่ไหนดีทําอะไรดีการทําบุญก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้เงินเสมอไปไม่มีเงินก็ยังทําบุญได้ไปช่วยคนนั้นคนนี้ด้วยแรงกายของเราก็เป็นการทําบุญไปช่วยทําความสะอาดบ้านทํางานสะอาดโรงเรียนวัดหรือสถานที่สาธารณะที่เขาต้องการความช่วยเหลือ ก็ได้บุญเหมือนกันหรือไปให้ความรู้กับคนที่เขาไม่อยากรู้อยากเรียนโดยไม่คิดเงินคิดทองเขาสอนเขาทํากับข้าวสอนเขาทําเสื้อตัดเย็บเสื้อผ้าหรืออะไรที่เรารู้ี่ก็เป็นการทําบุญเหมือนกันทําแล้วเราก็จะได้สะสมบุญทําใจของเราให้มีความสุขขึ้นมา <Yeah. S 1> นี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี่ ที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมนี้จะสอนอยู่สามหัวข้อใหญ่ๆคือหนึ่งให้ละการกระทำบาปสองให้ทำบุญทากุศลอยู่เรื่อยๆสาให้เราชาระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจเพราะความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นต้นเหตุของการที่พาให้เราต้องไปทำบาปกันเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้เราก็จะต้องไปหาด้วยวิธีทาบาป แต่ถ้าเราไม่มี ค, าม ค, ว, ามความโลภความโกรธความหลงนั้น เ, เราจะไม่ต้องไปทํำบาปนอกจากไม่ทํำบาปแล้วเร า, เรายังจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปด้วยเพราะว่าเราไม่มีความต้องการอะไรเมื่อไม่มีความต้องการอะไรก็ไ ม, ม่มีจําเป็นที่ต้องมีเครื่องมือคือร่างกายแต่เรายัง re อยากได้ between, ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสความสุขจากลาบยศสรรเสริญอยู่เราก็ยังต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อย แต่พอเราตัดความอยากออกไปได้ไม่มีความอยากได้ราบยศสรรเสริญไม่มีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดกฎแห่งกรรมก็จะไม่มีผลกับเราอีกต่อไปถึงแม้บาปหรือบุญที่เราเคยทำไว้ยังไม่หมดมันก็ไม่ส่งผลอีกต่อไปถ้าตราบใดเราไม่ได้กลับมาเกิดอีกต่อไปนี้คือเรื่องของ การปฏิบัติตามกฎแห่งกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับจิตใจของพวกเราที่พุทธเจ้าได้ส่งคนพบและนำมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราให้พวกเรากระทำตามกันคือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ แล้วจิตใจของเราจะได้พบกับสิ่งที่ดีความสุขความเจริญที่สูงสุดคือความสุขของพระนิพพานสิ้นสุดของความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอีกต่อไปนี่ก็คือเรื่องของกรรมที่เอามาฝากท่านไว้ในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปูราปริปุเลนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปภะปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนาระโสยถามณิโชติราโสยถาสพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะ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 หลังจากเลิกแล้วก็จะขอมงดเรื่องถามเรื่องตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ค่ะจาก f a c e b o o สองร้อยแปดสิบเก้าสามร้อยวิทยุออนไลน์สิบเก้าผู้รับฟังวันนี้หกสิบเก้ารวมห7ร้อยเจ็ดิบเจ็ดท่นานค่ะถ้ามีคำถามก็ถามได้เลย คำถามจากคุณวันลูกมีความสงสัยว่าคนที่เป็นจิตเภทภาวนาได้บรรลุธรรมชั้นสูงได้ไหมคะลูกรู้จักท่านหนึ่งท่านบอกว่าภาวนาเก่งมากพูดถึงสวรรค์พูดแนะนำเพื่อนต่างๆจนเพื่อนเลื่อมใสศรัทธามากแต่ต้องกินยาหาหมอที่โรงพยาบาลศรีทัญญาเป็นประจำค่ะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจิตเภทนี่มันเป็นทางร่างกายหรือทางจิตใจถ้าเป็นทางจิตใจ ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมจิตใจถ้ายัางควบคุมไม่ได้จะไปบรรลุธรรมก็คงจะยากเป็นไปไม่ได้เพราะการบรรลุธรรมก็เพื่อเป็นการควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบคนบรรลุธรรมนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่กินยากันทางทางจิตใจนะเขากินยาทางร่างกายเวลาไม่สบายร่างกายไม่สบายก็กินได้กินเพื่อให้รักษาให้หาย แต่เรื่องจิตนี่ยารักษาไม่ได้นะต้องใช้สติใช้ปัญญาเป็นธรรมโอสถเย่างนั้นถ้าถ้าเป็นเรื่องของจิตนี้คิดว่าจะบรรลุธรรมนี้คงยังไม่บรรลุแต่การเข้าใจธรรมนี้เข้าใจได้ธรรมมีสองระดับระดับศึกษากับระดับปฏิบัติการเข้าใจในระดับศึกษายังไม่ได้ทําให้จิตหลุดพ้น จากความทุกข์ต่างๆจำเป็นจะต้องเอาความเข้าใจที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติถึงจะสามารถบรรลุรมกำจัดความทุกข์ต่างๆได้คำถามจากคุณอภิรักษ์คนที่กำลังจะตายจิตนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตจะไปสู่สุคติไหมครับ เอ๋อมันไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะทําได้หรือเปล่าทั้งปีทั้งชาติไม่นึกถึงการนึกถึงเฉยๆก็ไม่ได้ว่าจะทําให้จิตส่งผลทันทีมันต้องนึกในระดับที่ทําให้จิตสงบเป็นสมาธินั่นแหละมันถึงจะได้ผล mm hmm. เช่นพุโทโธพุโทโธไปจนจิตนิ่งไม่ใช่ก่อนจะตายนึกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมันก็การนึกเฉยๆขนาดนั้นยังไม่มีอนุภาพพอต้องนึกใน ในแบบที่จะทำให้จิตสงบจิตปล่อยวางถึงจะบรรลุธรรมไปสู่สุคติได้ฉั้นต้องระลึกแบบที่ทำใจให้สงบได้ถ้าใจกำลังเครียดกำลังกลัวความตายจะไป่นึกถึงได้ยังไงขณะที่ยังไม่เครียดยขณะสบายสบายยังไม่นึกเลยแล้วตอนเวลาจะตายมันจะเป็นึกออกนะฉะั้นอย่ามารอหวังที่จะมา ดูหนังสือตอนึ้นตอนก่อนจะขึ้นก่อนจะก่อนจะเข้าห้องสอบมันเวลาไม่พอต้องดูไว้ล่วงหน้าก่อนต้องเตรียมใจให้สงบให้เป็นก่อนพอถึงเวลาจะต้องทำใจให้สงบจะได้ทำได้ไม่ใช่ว่ารอเดี๋ยวพอจะตายให้มานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกตอนนี้ก็นึกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็ไม่เกิดปัหเกิดผลอะไรขึ้นมาใครใยๆก็นึกได้ สคำทำไมจะนึกไม่ได้พระพุทธธรรมประสงค์แต่นี้ไม่ได้หมายถึงการระลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์ที่ทําให้เกิดผลต่อจิตใจมันดั้นระลึกแบบต่อเนื่องไม่มีไม่ไ ม, ไม่ไม่ปล่อยให้ใจไปเครียดไปทุกข์กับอะไรนั่นแหละถึงจะเรียกว่าเป็นการรลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์ที่เกิดประโยชน์จะคุณสรัสวเดี ตอนพระอาจารย์ไปภาวนาอยู่ในป่าเคยถูกยุงรุมกัดหรือไม่ถ้าโดนทำอย่างไรคะโดนอะไกัด น, นะยุงอ๋อเวลาอยู่ในป่าเราก็เดินอย่าไปนั่งถ้านั่งต้องนั่งในมุง้งมีอะไรกันยุงจะคุณชัชชยา ทำไมเราถึงมีลางสังหรณ์ถึงความตายของญาติแล้วเขาก็ตายจริงๆเมื่อเขาตายไปแล้วญาติเหล่านั้นถึงได้มาปรากฏในฝันโดยที่ญาติเหล่านั้นบางคนไม่เคยเจอบางคนไม่ได้สนิทก็อาจจะเป็น เ, เป็นความสามารถพิเศษของเราก็ได้ว่าเราสามารถที่จะรู้อะไรล่วงหน้าได้ก็ต้องคอยสังเกตดูว่าแม่นมันแม่ น, มนหรือเปล่ามันสังหรณ์คราวนี้มันตรง มันเกิดขึ้นข่าวหน้ามันสังหรณ์มันเกิดอีกเขาเปล่าอสังหรณ์กี่ครั้งก็เกิดทุกครั้งก็สแสดงว่าโอ้ยเรามีตาทิพย์แล้วเรามีการระลึกถึงอนาคตได้แต่ถ้าเป็นนางสังหรณ์แล้วมันเกิดไปเป็นขึ้นมาจริงก็อาจจะเป็นเหตุบังงอินก็ได้ถ้าเป็นเพียงครั้งเดียวครั้งต่อไปไม่เป็นก็ต้องใช้ปัญญาแยกแยะวิเคราะห์อย่าไปหลงงมงายกับมัน แล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเรามากนะักเรื่องรางสังหรณ์เหล่านี้มันไม่ได้มาดับความทุกข์มันไม่ได้มาทำให้เราไปนิพพานกันได้เราะฉะนั้นอย่าไปกังวลกับมันอย่าไปยุ่งกับมันให้รู้ว่ามันเป็นของแถมก็แล้วกัน จะคุณญญาหญิงมีพี่ที่ป่วยเป็นไทรอยและมีอาการนอนไม่หลับด้วยความที่คิดว่านี่คือผลกรรมที่เคยทำเอาไว้และรู้สึกทุกข์ใจเศร้าใจว่าต้องยอมรับในกรรมแต่ละวันมีแต่ความเศร้าหมองในใจไปทำบุญก็รู้สึกไม่ได้รับความสุขใจบอกให้มีสติอยู่กับตัวรู้กับปัจจุบันแต่ก็ไม่สามารถทำได้ เพราะไปติดกับความคิดในอดีตที่เคยทําผิดไว้ที่เคยขายเหล้าขายเบียร์ไม่ทราบว่าจะมีวิธีไหนให้ละความรู้สึกผิดในอดีตได้บ้างเจ้าคะก็หยุดมันจะหยุดคิดนใช้พุทโธแทนให้คิดอยู่แต่พุทโธพุทโธพออยู่กับพุทโธมันก็จะเลิมเรื่องราวต่างๆที่คิดได้แล้วความรู้สึกที่เกิดกับจากความคิดเหล่านั้นมันก็จะหายไป จะคุณกนกวันมีเพจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพจหนึ่งขึ้นหัวข้อโพสต์ว่าในพระไตรปิฎกได้ระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ได้ไปสักการะสถานที่ทั้งสี่นี้หลังตายจะได้ไปสวรรค์เป็นเช่นนี้จริงไหมเจ้าคะ่ะถ้าไปแล้วเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อในคำสั่งคำสอนล้วปฏิบัติตามก็ไปสุคติเชื่อว่าทาตามที่เจ้าสอน ละการกระทําบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายถึงพร้อมชําระใจให้สะอาดมันก็ไปสุคติได้จะไปสู่ชั้นไหนก็อยู่ที่ความสามารถของเราในการปฏิบัติตามว่าปฏิบัติได้มากได้น้อยแต่ถ้าปฏิบัติตามทั้งสามข้อนี้ได้รับรองได้ว่าไปสุคติแน่แต่ไปไปสู่ชั้นเทพชั้นพรหมหรือชั้นอริยานี่ก็อยู่ที่ว่าเราทําได้มากได้น้อย อย่างไรการไปเพื่อทำให้เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะได้น้อมเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปฏิบัตินั่นเองถ้าไปแล้วไม่ได้มาปฏิบัติตามก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรการไปไหมไปเที่ยวกี้กลับมาก็ลืมเคยกินเหล้าก็ยังกินเหล้าต่อ เคยโกหกก็ ย, ยังโกหกต่อเคยขโมยข้าวของยังช่อโกงยังชอโกงต่ออย่างนี้สุขติก็ไปไม่ได้จะไปได้ต้องมาละการกระทําบาปทั้งปวงแล้วต้องทําบุญด้วยถึงจะไปสู่สุขติได้ถ้าเพียงแต่ละบาปไม่ได้ทําบุญก็ไปได้แค่เป็นมนุษย์ยังรักษาความเป็นมนุษย์ไว้อยู่เหมือนเดิมได้เท่านั้น จะคุณกนกวันตั้งจิตอธิษฐานจะสวดมนต์ร้อยแปดจบทุกวันแต่มีเหตุให้มีเวทนาทางกายอย่างหนักจนไม่สามารถสวดได้เช่นสะโพกบิดเหมือนจะหลุดมีแผลมีเลือดดังกับมารผจนจะทำอย่างไรถึงจะชนะเวทนาและทำตามเจตนาได้สำเร็จคะ่ะก็นั่งสวดแบบนั่งดูหนังดูละครี่เวลานั่งดูหนังดูละครมันปวดเอวมันเจ็บตรงไหนหรือเปล่าก็นั่งสบายนั่งเก้าอี้ก็ได้ แล้วก็นั่งสวดไปถ้าร่างกายไม่พร้อมที่จะไปนั่งพักเพียบแล้วนั่งขัดสมาธิเราก็นั่งแบบนั่งเก้อีก็ได้เพราะการสวดมนต์มันไม่ได้ใช้ร่างกายสวดมันใช้ใจสวดขอให้มีสติบังคับให้มันอยู่กับการสวดมนต์ให้ได้มันก็ได้ผลกลัวว่ามันไม่มีสติกําลังพอที่จะบังคับให้มันสวดพอมีเป็นอะไรนิดก็อ้างเป็นเหตุไม่ให้สวดเลย หนาวเกินไปบ้างร้อนเกินไปบ้างหิวเกินไปบ้างอิ่มเกินไปบ้างอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะมาเป็นตัวคอยกีดกั้นไม่ให้เราได้ทำสิ่งที่เราตั้งใจไว้เพราะฉะนั้นเราต้องอย่าไปหลงกลของกิเลสมานทั้งหลายที่จะมาขัดขวางการทำความดีต่างๆของเราต้องมีความแน่วแน่ต่อสัจจะวาจาต่อความตั้งใจของเรา มีอธิษฐานมีสัจจะแล้วก็มีขันติมีความเพียรพยายามแล้วไม่ว่าเราจะตั้งใจจะทำอะไรเราก็จะสามารถทำไปได้อย่างลุล่วงฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้จากุนิยา รู้สึกว่าคนส่วนมากในสมัยน no ี้เป็นคนพาลจิตใจชั่วช้าลามกไม่สบายใจกลัวว่าถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งก็จะคล้อยตามสิ่งต่ำพวกนั้นไปด้วยเป็นทุกข์เจ้าค่ะจะทำอย่างไรดีเจ้าค่ะก็อย่าอยู่ใกล้คนพาลเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกให้อยู่ใกล้บัณฑิตถ้ารู้ว่าเขาเป็นคนพาลก็ถ้าไม่จำเป็นอย่าต้องคบค้าสมาคมกันก็อย่าไปคบคาสมาคมกับเขาถ้าจาเป็นก็คบแต่เฉพาะ กิจที่เราต้องครบด้วยเวลาอื่นเราก็อย่าไปครบกับเขาไปเข้าวัดไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีกว่าไม่ได้ไปที่วัดเดี๋ยวนี้วัดก็มาถึงที่มือถือเราเปิดมือถืออ่านคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆเราก็จะมีบัณดิตคอยเตือนคอยสอนเราไม่ให้เราหลงไหลไปกับกระแสของพวกคนผ่านทั้งหลายจากคุณเ P. ี ที่บ้านของลูกมีพึ่งมาทํารังประมาณสามสี่วันแล้วถ้าจะขจัดให้ออกไปจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกเพียงแต่ไม่เมตตาเนี่ยคือไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ก็ขึ้นอยู่กับความจําเป็นบางทีก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ได้เพราะมันจะทําให้การอยู่ของเราไม่ปลอดภัยอย่างนี้เราก็ต้องเราก็ต้องเชิญเขาไปอยู่ที่อื่น จะคุณนิยาเราจะวางใจอย่างไรไม่ให้ทําบาปกับพ่อแม่ให้กลัวบาปเจ้าค่ะให้เราลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่อยู่เรื่อยๆกาบพ่อกับแม่ทุกเช้าทุกเย็นก่อนนอนหลังจากตื่นนอนไม่ได้แม่ความต้องไปกราบที่หน้าตักกราบที่หมอนเราเนี่ยเวลาตื่นขึ้นมาหรือก่อนนอนธรำเนียมชาวพูดเราท่านให้กราบพระพูดพระธรรมพระสงฆ์กราบพ่อกราบแม่แล้วก็ไม่ใช่กราบเพียงกิริยา กาบแล้วก็ให้เราเลิกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณคุณของบิดามารดาแล้วมันจะทำให้เราจะยกย่องเทิดทูนท่านอยู่ในหัวใจอยู่ตลอดเวลาจะไม่กล้าคิดทำร้ายพ่อแม่โดยเด็ดขาดเพราะคิดถึงบุญคุณอันยิ่งใหญ่มหาศาลของท่านแล้วมันทำให้เรานี้จะมีแต่ความเคารพมีแต่ความรักท่าน พยายามนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ทุกทุกเช้าทุกก่อนนอนและหลังตื่นนอนแล้วถ้าเวลาอื่นมีเวลาก็นึกได้ทั้งวันทั้งช่วงไหนว่างก็นึกอยู่เรื่อยๆไม่ให้หลงไม่ให้ลืมคุณปัญจณีเวลาฝันถึงอันตรายพอนึกถึงพระไตราสารน า, าคมฝันร้ายนั้นก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้อย่างนี้เราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรื อ, อยังคะ ไม่รู้เหมือนกันนะถึงหรือไม่ถึงการถึงนี้ก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนไม่ใช่เพียงแต่ระเลือกอย่างเดียวต้องทําตามคําสอนทั้งสามข้อนี้ถึงจะเรียกว่าถึงพระราตนาสตายละการก็ทําบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่แหละวิธีจะเข้าถึงพระราตนาตายไม่ใช่เพียงแต่เข้าด้วยความนึกคิดเฉยๆเท่านั้น คำถามจากคุณนิยาทำไมเห็นคนที่เขามีกิเลสถึงสนุกสนานเฮฮามีความสุขกันคะแล้วมันจะทุกข์ได้อย่างไร อ, อ๋อทุกตอนที่เวลามันทำไม่ได้ไงเวลาที่มันแก่มันเจ็บมันจะตายหรือตอนที่มันพิการหรือว่าตอนที่มันไม่มีเงินตอนนั้นน่ะมันจะทุกข์ถึงอยากจะฆ่าตัวตายกัน ก็ เ, เรียกว่าสุขต้นทุกปลายความสุขทางโลกมันแบบสุขต้นทุกปลายความสุขทางธรรมมันทุกต้นสุขปลายกว่าจะสงบนี่โอยเหนื่อยกว่าจะทำใจให้สงบได้นี่ต้องทุกยากลาบากต่อสู้กับกิเลสต่างๆที่คอยมาขัดคอยขวางแต่พอผ่านได้ที่สบายสุขสบายในความสุขทางโลกกับทางธรรมมันสลับกัน ทางโลกนี้มันสุขต้นทุกปลายมันเลยชอบแบบนี้กันเหมือนซื้อของผ่อนใช่ไหมซื้อปั๊บก็ได้ของแล้วแต่นี้มันวัตุกับการผ่อนนั่นเลยพอได้ของมาแล้วอแต่ตอนได้มาใหม่ๆโอ้ยดีใจได้รถใหม่ได้อะไรใหม่เดี๋ยวถึงเวลาผ่อนไม่มีเงินผ่อนนันี่เครียดขึ้นมาอทุกข์ขึ้นมาแล้วนี่แหละเรียกว่าสุขต้นเป็นเป็นสุขแบบเงินผ่อนไง ไม่ต้องจ่ายหมดจ่ายเพียงแค่เงินดาวก็ได้ของแลได้ความสุขแล้วแต่ต่อไปเดี๋ยวเงินหมดก็จะเที่ยวไม่ได้สนุกสนานไม่ได้เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาไม่สบายเวลาเป็นอามภาะกรามาพาสปิคนพิการหรือเวลาจะตายนี่ทำอะไรหาความสุขไม่ได้จะมีแต่ความทุกข์ลุมเล้ามาทุกช่องทางเลยทางตาหูจมูกเลื่อนกาย จทให้ไม่อยากจะออยู่ต่ตไปจคุนขวัญที่แรกหนูตั้งใจจะไปภาวนาที่วดัดแต่เปลี่ยนใจเพราะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ถ้าเราปฏิบัติที่ห้องเองเราควรวางเวลาอย่างไรถึงจะเรียกว่าเข้มงวดกับตัวเองเจ้าคะก็ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ย มีเวลาที่ไม่ปฏิบัติก็เวลาหลับเท่านั้นเวลานอนนอกนั้นสามารถปฏิบัติได้ถึงแม้จะทำภารกิจเช่นอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนี่ก็ปฏิบัติควบคู่ไปได้คือการเจริญสตินี่เป็นการปฏิบัติเบื้องต้นขั้นที่หนึ่งของการปฏิบัติต้องมีสติให้มากๆกเห็นพยายามเจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมา พอเริ่มตาขึ้นมาก็พุโทโธเลยก่อนที่จะไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดกับพุโทโธพุธโทโธไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุโทโธไปเสร็จก็มาเดินจงกรมก็พุโทโธเสร็จจากเดินจงกรมก็มานั่งก็พุโทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกอย่างเงี้ทําไปทั้งวันทั้งคืนจนกว่าจะถึงเวลาหลับรับรองได้ว่า ดีไม่ดีไม่ต้องไปวัดนะอาจจะบรรลุที่บ้านอะไก็ได้ yeah. การบรรลุไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องเป็นวัดหรือเป็นบ้านคำว่าวัดในความจริงความหมายคือที่สงบวิเวกถึงที่อยู่คนเดียวที่เราสามารถบําเพ็ญจิตตภาวนาได้นะ่ะเรียกว่าวัดถ้าเราทําบ้านของเราให้เป็นวัดได้เราก็ไม่ต้องไปวัดก็ได้จะผู้ไม่ประสงค์ออกนามขณะนั่งสมาธิ รู้สึกว่ามีคนมานั่งอยู่ด้วยเต็มไปหมดควรกําหนดจิตอย่างไรครับไม่ต้องไปสนใจจิตมันหลอกเรามีความรู้สึกอะไรแปลกๆเรื่องไม่แปลกก็ตามไม่ต้องไปสนใจให้เราอยู่กับองค์ภาวนาไปถ้าเราใช้พุโทโธก็ภาวนาพุโทโธพุโทพโธไปไม่รู้ไม่ชี้ไปให้อยู่กับพุโทโธดูลมก็ดูลมไปเดี๋ยวความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นมันก็จะจางหายไปอ จะคุณอัสดาวุฒิศาสนาอื่นมีนิพพานไหมครับถ้ามีลักษณะเช่นไรศาสนานี่เป็นคําสอนไงนิพพานมันมีอยู่เพียงแต่ว่าศาสนานี้เข้าถึงศึกษาถึงนิพพานหรือเปล่ามีศาสนาพุทธศาสนาเดียวที่ที่ผู้สอนนี้สามารถศึกษาถึงระดับพระนิพพานได้แต่ศาสนานอื่นนี้เขาเข้าถึงระดับแค่ระดับ พร ม, มโลกคือระดับฌานสมาธิแต่ระดับพุทธนี่มีเข้าถึงระดับโลกุกตตระธรรมคือปานิพานปานิพานนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาสนามันมีอยู่ของมันเพียงแต่ว่าจะคนที่จะไปถึงนิพานนี้รู้จักทางไปหรือเปล่าถ้าคนที่รู้จักทางไปนิพานเขาก็มาบอกคนอื่นก็ก็กลายเป็นศาสนาขึ้นมาพระพุทธเจ้า ได้ส่งคนพบทางไปสู่พระนิพพานพอรู้แล้วท่านไปถึงแล้วท่านก็กลับมาบอกพวกเราพวกเราเชื่อพวกเราก็เลยนับถือท่านเป็นศาสดาเป็นอาจารย์เป็นศาสนาขึ้นมาเท่านั้นเองเหตนไม่ได้อยู่คาว่าศาสนามันอยู่ที่ว่าผู้ที่จะรู้ทางไปสู่พระนิพพานหรือไม่พระนิพพานมีอยู่ตลอดเวลารอพวกเราอยู่ตลอดเวลา เพ็นแต่ว่าเรารู้จากทางไปหรือไม่ถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องไปหาศาสนาที่รู้ทางมาสอนมาบอกเราซึ่งในานานจะมีสักครั้งหนึ่งที่มีศาสนาที่รู้ทางไปสู่พระนิพพานคือพุทธศาสนาและมีแล้วก็จะอยู่ไปไม่นาน ไม่เกินห้าพันปีสำหรับศาสนาพุทธอันนี้หลังจากห้าพันปีก็จะไม่มีใครรู้จักทางไปสู่พระนิพพานอีกต่อไปก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาพบพระนิพพานแล้วก็มาสอนคนอื่นใหม่อี ก, อกครั้งหนึ่งหมดแล้วเลยคำว่าทำจนเป็นวัสีนี่เราต้อง ปฏิบัติยังไงครับอาารเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะภาษาบาลีแต่เป็นภาษาไทยไม่มีเลยทาให้ชํานาญนะ<ใ>นชนานาญนะก็เหมือนขับรถเนะี่ยเวลาขับใหม่ๆก็มือใหม่หัดขับใช่ไหมแต่ถ้าขับไปเรื่อยๆขับไปบ่อยๆมันก็ชํนานานญะอันนี้ก็เหมือนกันทําอะไรแล้วก็ต้องทําให้มันบ่อยๆซ้ําๆซากๆอย่างนั้นนะี่ยทําไปจนกว่ามันจะชํานานญะนะนะทําบ่อยๆทํามากๆอีกคําถามาอาจารย์ ปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อเราทำสมาธิไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเกิดรู้ขึ้นมาเองหรือว่ามันจะต้องเกิดมาจากการคิดต้องคิดมันไม่รู้ขึ้นมาเองความสงบเพียงแต่ทำให้ใจเรามีกำลังที่จะไปคิดทางปัญญาเพราะถ้าเราไม่มีความสงบกิเลสมันจะดึงใจเราไปคิดทางโลก เหตนั้นเราต้องทำใจสงบเพื่อ ง, งับตัวกิเลส ท, ที่จะมาคอยดึงใจเราไปคิดทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสพอกิเลสไม่ดึงใจไปทางนั้นเราก็สามารถดึงใจมาทางธรรมได้เราต้องเป็นสั่งเป็นคนสั่งให้มันคิดตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้คิดให้คิดทุกอย่างเป็นตายรักอันนี้จังทุกขังมโตตาคิดอยู่บ่อย จนไม่หลงไม่ลืมตอนนี้เราลืมพอคิดปับ๊บเดี๋ยวเราลืมพอเห็นอะไรกลับไปกลายเป็นนิจจังสุขขังอัตตาขึ้นมาทันทีอันนี้คือคิดได้ตลอดทั้งที่หลังสมาธิหรือว่าในชีวิตประจำวัน ท, ทั้งตลอดทั้งวันยกเว้นเวลาอยู่ในสมาธิต่านั้นที่เราจะไม่คิดครับขอบคุณครับคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราพอเห็น แฟนเห็นแฟนอยากได้แฟนก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราได้มาแล้วเดี๋ยวเกิดเขาไปเป็นของคนอื่นก็จะร้อ ง, องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจหมดนั่นเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่ของเราทั้งนั้นให้คิดอย่างนี้เพื่อหยุดความอยากว่าไม่มีความอยากความทุกข์ก็จะไม่เกิดไม่มีความทุกข์ก็จะมีแต่ความสุข ไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนเพียงแต่มาคอยหยุดความอยากหยุดความทุกข์ในใจเราเท่านั้นเองแล้วความสุขมันวิ่งมาหาเราตอนนี้เราคอยวิ่งไปหามันยิ่งวิ่งหามันมันยิ่งวิ่งหนีเราเพราะมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงนะพอเราหยุดหามันปั๊บมันก็จะกลับมาหาเราเอง <laughs> มีเข้ามาไหม อย่างเวลาที่เรานั่งสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะออกจากสมาธิเนี่ยเราควรจะคิดไหมครับว่าเอ๊ะทําไมที่เราสงบเนี่ยมันสงบเพราะอะไรด้วยวิธีไหนหรืออะไรก็ดีถ้าเราจําได้ก็ดีคราวหน้าเราจะได้ทําแบบเดิมอย่าีกส่วนใหญ่เรามักจะไปคิดถึงผลที่สงบคราวที่แล้วพอมานั่งคราวนี้ก็อยากจะให้มันสงบโดยที่ไม่ได้คิดถึงเหตุที่ทําให้มันสงบมันก็ไม่สงบนะ ยังถ้าเราคิดว่าอ๋อคราวนี้เรามีสติเราพุโทโธเราไม่ไปคิดอะไรเลยเราไม่ไปกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เลยสงบคราวหน้าเราก็ต้องทำแบบนี้ให้มันอยู่กับพุโทโธอย่าไปให้มันไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆครับขอบคุณครับคําถามจากคุณสมพร จริงหรือเปล่าคะที่ว่าเมื่อถึงเวลาเราจะต้องปล่อยวางความสัมพันธ์กับคนรอบด้านเพื่อยกระดับการปฏิบัติให้สูงขึ้นคําว่าถึงเวลามันเมื่อไหร่นะเราต้องกําหนดเวลาสิจะไปรอให้มันเวลามันอาจจะไม่เกิดในพบนี้ชาตินี้ก็ได้าการที่จะทําให้เรากําหนดเวลาขึ้นมาได้เราก็ต้องพิจารณาว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้แน่นอน ความตายจะเกิดขึ้นกับเราวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้เห็นเราต้องรีบมาจัดการปล่อยวางเสียให้หมดวันฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นตัวทําให้เราอทุกข์ลำบากต้องพิจารณาความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่แล้วมันจะทําให้เราตัดได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเพื่อที่เราจะได้ไปพ้นนิพพานได้ถ้าเรามารอให้เหตุการณ์มันพาไป แล้เมื่อไหร่เขาจะตายลนะ่ะเมื่อไหร่เขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยถึงจะทําให้เราอยากจะตัดเขาตัดแบบนั้นก็ไม่ถูกตัดแบบนั้นมันตัดแบบกิเลสพราอเขาไม่สามารถให้ความสุขกับเราก็เลิกกับเขาอย่างนี้อนี้แสดงว่าเราไม่มีความจริงใจกับเขาเราใช้เขาเป็นอารมณ์ให้ความสุขกับเราพอเขาไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้เราก็ตัดเขาไปตัดแบบนี้ไม่ได้ตัดแบบด้วยธรรมตัดด้วย ดัดด้วยกิเลสเพราะเขาเหมือนกับส้มที่มันไม่มีน้ำแล้วก็โยนทิ้งไปหาส้มลูกใหม่มากินต่ออย่างี้ก็ตัดตัดแบบนี้ก็ไม่ไม่เป็นประโยชน์ตัดแล้วก็ไปหาคนใหม่มาแทนอย่างนี้ตัดต้องเห็นว่าถ้าอาศัยเขาหรืออาศัยใครมันก็จะต้องทุกซักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วก็ไม่อาศัยก็ดีกว่าปล่อยวางดีกว่า อยู่คนเดียวดีกว่าอย่างนี้เป็นตอนต้องคิดแบบนี้จะคุณชาชะยาตอนดูสารคดีจักรวาลในใจกลับรู้สึกว่าร่างกายของเราเซลล์ของเราก็เป็นเหมือนกันร่างกายเราก็เหมือนจักรวาลคิดแบบนี้จะได้ไหมคะคิดยังไงก็ได้เพื่อให้เราปล่อยวางมันะเราไม่ยึดติดจากจักรวาลเราก็อย่าไปยึดติดกับร่างกายกนแล้วกันถ้ามันเป็นเหมือนจักรวาลเราก็ต้องทำใจเราให้มัน เหมือนกับเราทำใจกับจักรวาลเราไม่ติดกับจักรวาลเราก็ไม่ติดกับร่างกายอันนี้ถึงจะถูกถ้าเพียแต่คิดแล้วก็ยังไปยึดไปถื่อเป็นตัวเราของเราอยู่มันก็มันขัดกันมันไม่ตรงกับความเป็นจริงจะคุณสุภาชัยพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปยังอยู่บนโลกใบนี้ไหมครับตอนนี้ยังไม่เกิดหรอกไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ อีไม่รู้กี่แสนล้านปีจะมาเกิดก็ไม่รู้ตอนนี้อาจจะเกิดแต่อาจจะเป็นโพธิสัตว์อยู่ที่ไหนก็ได้ออย่างที่เขาคิดว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมใช่ไหมนี่จะเป็นโพธิสัตว์แต่โพธิสัตว์มีหลายคนไม่ใช่คนเดียวเราไม่รู้คนไหนจะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในหลวงเร .9 บางคนท่านก็ว่าท่านเป็นโพธิสัตว์เนี่ยเพราะท่านมีคุณสมบัติของโพธิสัตว์เนี่ย เป็นผู้มีความเสียสละเพื่อเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นเนี่ยมีทานบารมีมีศีลบารมีมีปัญญาบารมีมีเนฆามาบารมีเพียงแต่ว่าจะมีครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งสิ บ, บารมีหรือยังถ้ามีก็พร้อมที่จะตัดเชืว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปได้ จาคุณมอน ล, ลี่การนั่งสมาธิเราควรมีวิธีคิดหรือนึกถึงสิ่งใดให้จิตอยู่ในสมาธิจะได้ไม่วอกแวกคะ่ะให้อยู่กับพุทธโธให้คิดแต่คำว่าพุทธโธพุทธโธหรือให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นหมดแล้วละหมดแล้ว ก, มวก็มีใครอยากจะถามยังไหมถ้าไม่มีก็สมควรแก่เวลา